ธรมังสารังฆจชามิสังฆังสารังฆจชามิทูติยามปิอุทธังสารังฆจชามิทูติยามปิธรรมังสารังฆจชามิ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 เวรามนีสิกขาปัฏฐาสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรามนีสิกขาปะทฐานสัมมาทิยามิสุรามระยะมะชะอมาตถานา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 สีเรนะสุขสิยันติสีเรนะโพกสัมปทาสีเรนะนปุสิ่งยันติทัสสะมาวิโสทะนะโมตัสสะ a ะพาวะโตอ s หะสมาสัมปุทัสสะ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 อามังรานังกรุณนังการุณีนาโมพุทธ i s, s a oh t t a k a n ต i มาย a e d i p a kava นาโมพุทธ isatto akanti maya อ d i namo โพธิสัตว์อคติมายะนามอโพธิสัตว์โคมะัญโยนามอโพธิสัตว์โคมะปัญโยนามอโพธิสัตว์โคมะปัญโยโยตโสโมหิตเต นาพุทัสสิงหิปาปะโตมายะกามังหกาตังโทสังสัพพาปังสตุโยโทโสโมหิตเตนาธรรมสังหิปาปะโตมายะกามังหิ กัตโทสังสัพพะพาปังวินาสันตุโยโทสโอหิตเตนะสังฆะเสมิปาปะโตมายาขามะทมีกัางโทสังสัพพะพาปังนินาสันตุ นาโมทัสสะพากาว a โตอะโตสามะสามพุทัสสะนาโมทัสสะพ a กาวาโตอร a หะโตทัสสะน a โมทัสสะพาก a วาโตอราหะโตสามพุทัสสะ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 ราพุทธะไตรักษณญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสุตธรรมาพุดโตธรรมโอสรรค์ยะถาภูมินะภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานวารังคันธังสีวลีธรรมหาเสรัง อาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะระพุทธะไตรยตรยานมานีโนปรัตถ์สีสาหาสุตธรรม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 สัพพโสูท้าธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะราพุทธาไะตระัตญาณมานีนพรัตศีสหัสสุธัมนาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาุตโมนะ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 นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตติสาหาหาสุธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุปโมนะพุทธาูชาธรรมะูชาสังฆาูชาทิธางวรังคันทัง สีวาริจามาหาเถระอาหังวันธามิทุระโทอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเชนินโมพุทายะราพุทธทายะตระยานวะนีโนปารั สีสาหาสาสุธรรมะพุถโธรรมโมสังโฆยะคาปุโมนาพุธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวะรังตังศีวรีธรรมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิท้าตโย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 นาโมพุทธยะพระพุธไยตนะยานมามีนพรัตติสีหาชาสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพูทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิทางวรางคันทัง สีวาริกามาหาเถระอาหังวันธานิตุระโตอาหังวันธานิทาตโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมสางคาปุเตนินาโมพุทธายะระพุทธายะตนะยานมะนีนภรัต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 อางวันธามิสปะโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนิณโมูพุทธายะราพุทธะไตยรัตนยานมามีนภะรัตศีสหัสสุตัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธานังวารังกันทางศิวรีกรรมะเถรังอาหังวันทามิธ ah ุระโตอาหังว ah ันทานิทาตุโยอาหังวันทานิสัพะโสบูธาธรรมะสังฆบูเชนิ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 อังวันทานิตัปโสุภูตธาธรรมะสังฆูเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระยานมีนพรัีสาหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาภูมินา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 นาโมพุทายะพระพุทธไตรตนะยานมามีนอรัสีสาหัสสุธรรมาพูโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุธบูชาธรรมะูชาสังฆบูชาทีธาณังวารังตัง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 อาหังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนยานมานีนพรัตสีสหัสสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังพุบูชาพิทาหนังวารังกันทางศีวารีจามหาเถรังอาหังว ah ันทามิท ah ุระโตอาหังว ah ันทามิอาตโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธามะสังพุทธเจนี นาโมพุทายะรากุทธายะรัตนะยานาณีนาปารัตสีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาภูมโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาหนังวะรังคันคัง สีวารีธรมมาเจรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันธามิทาติโยอาหังวันทามิสัพพโสโหตหาธรรมะสังฆะอูเทนิเอาแปรกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและโมย่าทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวณเนสัพเพโหธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาลปัตตาปจเจกานณจะยังภาง พาลาหันตานันจะเอเจนรขังอาะโสสาเปพุทธาสเบธรรมาสเบสังกาพาลาปตาปเจกานันจายังพลังพาลาหันตานันจ่เอเจนรขัง สัพเพผู้ตาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภาลพัตตาปัจเจกานจะยังกาขังตานันจเตเทนะรักขังปันธานิสัพะโสสัพเพพุ้าสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา ปัตตาปเจกานัณจะยังพลังอาลหันจานันจะเทเสนารับขังปังทามิอภัสสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปัตตาปเจกานัณจะยังพลัง อาลาหันตานานจะาเอเทนารักขังปันทามิสัพพะภูุทางอธิฐานิทามมังอธิฐานิสางทังอธิฐานิ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 เพพุทธาสัพเพธรรมาสเพสังกาภาระปตาปเจกานันจะยังวะรังภาระหันตานันจะเอเจนารับขังพันตามิสัพปโซ สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะอาระปตาปเจกาณจายังพลังอาราหันจานันจเอเจนารักขังปันตามิสัพปส พุทธาสัตตธรรมาสัตตสังขารารัปตาปเจกานันเจยังวรังอารันตาณจเตเจนารัขังมีสัพพโสพุทธังอธิฐามิ คำบางอธิษฐามิสามคงอธิษฐานมิเสร็จแล้ว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 พาละปัจามาเจกานันเจยังภารังอาราหันตานานจเตเจนารับขังนิสปะโสสาเปพธต้าสาเปธรรมาสาเพสังคา ปัตตาปเจกานันเจยังภารังอรหันตานันจเจเจนารักขังปันธานิสัพสโสสะเปพธทาสะเปธรรมาสะเปสังขาภาระปัตตาปเจกานันจะยังภารัง อาหันจานันจเตเจนารักขังอามิสปัสโสสัพเพกุตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจารปเจกานันทยังวารัง สัพพะโสสัเพพุทธะสัเพธรรมะสัเพสังฆะทาราปะตปเกตาันทะยานวังอารหันตานันจเตสนะรัตถิสัพพะโสพุทธ ขังอธิธาม่ขังมังธิธามิสังขังอธิธาไม่